สงบ ถูกสําคัญสร้าง FM 90.25 MHz สวทนครพนมมีต้องเรียนรู้ชีวิตอยู่ร่วมกันเข้าใจลองดอง สมานฉันท์เริ่มวันนี้ที่ครอบครัว ประชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอ จงใช้เวลาเท่า ดีในไหมชาขอคืนความสุดให้เธอรัชาชนวันนี้ต้องเน็ตเนื้ยก็รู้จะขอสู่กับอันตรายชาติถหารไม่ยอมแพ้ภายนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเฉิญผ่านภัย ไฟลูกชนขึ้นมาทุกคราขอ คืนกลับมาเราจะทําอย่าง แตกต่างทั้งความคิดเรียนรู้เริ่มต้นกันวันนี้ที่ครอบครัวร่วม วันประชาอยู่มาพ้นภัยขอดู ที่มีต่อประชาชนในการ 9 ปีมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกผ่านมาให้ได้ กอง 2 20 จังหวัดภาคอีสาน 95 สถานีขอเชิญฟังรายการอีสานม้วน น. ถึง น. ๆ สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูป เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยเอาข้อมูลจากทุกตรวจ โดยทหารจะไม่ 2 ก็ เอามาเป็นกฎหมายมันๆอย่างเช่นดนตรีบันเทิงให้เขาได้ นะบ้านเดียวกันคุยกันไม่ 1 2 นะ, นะโน่นมีกฎ หาคำตอบกันให้ได้ในขั้นที่ 2 สภาปฏิรูปนะครับวันนี้ชาติเผชิญพาน พวกฉันทําตามสัญญา การผลิตรายการอีสาน น. ถึง 8 น. ค่ะทุกเครือ 20 จังหวัดนะคะนะ FM 90.25 MHz ผลิตรายการค่ะราย คำดูให้คุณอดิศักดิ์เทพอาจครับอ่าท่านผู้ พื้นที่ของอำเภอเราจัดให้มี อำเภอต่างๆโดยเฉพาะ 7 วันนะ ทุกวัดนะคะเมื่อ วันเกิดวันพุทธอำเภอพวนสวรรค์นครพนมเป็นโชคดีครับเอ่อ<ใช> ร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะ มาพบปะพูดคุยมาเจอ สถาบันศาสนาและสถาบันพระค่ะนอก От ท Builds of pressure and Krasan และโดยเห็นว่าศีล 5 นะครับอ่าเป็นเรื่อง นะครับ 1 ก็คือไม่คิดร้ายทำลายคน <Okay. S> 2 ก็คือ 3 ก็คือ 4 ก็ ข้อที่ 5 ก็คือทุกชุมชนคิดเกี่ยวข้องนั้น ก็ 5 ค่ะ 5 นะคะ, ซึ่งจังหวัดนครพนมนะคะก็มีการ เป็นที่ปึ้งเป็นที่อ่าอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนชีวิต เรื่องของการไม่เบียดเบียนนะครับการ 2 เดือน ก็จะต้องเข้าไป <คะ. S 1> ที่ 12 ประการตามนโยบาย 1 ก็ศาสนา 2 มีเสียสละซื่อสัตย์เสีย 3 4 มันศึกษาเล่า 5 รักษาว่า 6 มีศีลธรรมรักษาความ 7 เข้าใจ นะครับปัจจัยปัจจัยในฐานะที่เป็นวิถี อ่าไอ้ก่อนสําคัญก็เรื่องการอ่า 8 ก็เรื่องมี ให้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะนครพนมให 9 ก็ให้รู้ ต้องผู้คนต้อง 10 รู้จักดํารงตนอยู่โดย นะครับโดยรณรงค์ข้อนะนะ 11 ก็คือให้มีความ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว จัดระเบียบในเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการๆวันนี้เราต้องเห็นแก่ การลบกลวนคนอื่นนะครับวัน นอกจากจะรณรงค์แล้วเราก็ต้องดําเนินการสําหรับ ครับคร 12 ประการตามนโยบายของหัว สังคมชุมชนนะครับอยู่กัน ช่วยกันเพื่อที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตลอดไปเตือนนะครับช่วยกันทํา ทำให้หมู่บ้านต้องตัวเองดูแลครอบครัวบุตร หลักค่ะ ซึ่งจังหวัดนครพนมค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีศูนย์เรียนรู้ 2 อุบลราชธานีค่ะวันนี้ดิฉันกนก ประชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอเวลา น. ถึง 8:30 น. นฟังเรื่องราว แล้วแผ่นดินจริงจริงงดงามจะ ดีไม่ใช่ความสุขจะคืนมาประเทศ เริ่มต้นกันกันวันนี้ที่ครอบครัว FM 90.25 MHz สวทนครพนม ชีวิตภายในรถยนต์รับส่งนักเรียนของตนเอง 4 ปี 3-4 ชั่วโมง ก่อนเกิดเหตุ 4 ขวบคนนี้หลังจากที่ส่งนักเรียนทุกคน เอ่อนั่นแหละก็เออนี่รถกระบะเองค่ะเด็ก 6 7 คนโอ้นะเป็นสิ่งค่ะครับคุณสัญญายังไม่ ตอนประมาณ 7 7:00 น. เนี่ยค่ะรถ Toyota Wish นะคะอายุ 47 ปีขับรถมาอายุ 2>, <สอง S 1> นะคะ, 2 คน, คน 8 ขวบ 6 ขวบคุณสัญญาขับขับมาเนี่ย<บ> ลูก 2 คน 8 ขวบกับ 6 ขวบเอออาจจะพักผ่อนขับรถเพลียผล นะเพราะค่ะเค้าไปที่ปากช่องเค้าไป หรือว่าเสียชีวิตครับนะก็อีกข่าวนึง แม่ม้ายสีน้ําตาลไม้หรือว่าเป็นพันธุ์อะไร สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ติดตาม FM 92.5 และสถานี ไสวนกรมประชาสัมพันธ์ 24 กรกฎาคมนี้พบกับวอวัชยาเจ้าเป็นสาวเข้ม ขอ 2 ของราย FM 92.5 และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ เห็นสังคมไทยเกิดความสมัครสมารศสามารคีปรองดองกัน กรมประชาสัมพันธ์ของๆไม่แต่เฉพาะกิจกรรมที่เราจัดกัน ถึงนี้ค่ะ ครับสวัสดีครับคุณพรวัฒนาค่ะกราบขอบพระคุณนะคะ ค่ะเราจัดต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ครั้งแรกมาเป็นระยะนะ ที่ต่างๆทั้งในประเทศครับแล้วก็แฟนๆทั้งค่ะที่ขอ ค่ะผมลากมาใส่กล่องมาทุกพันธรัฐก็ทําให้ค่ะทําทําให้เรามี เอ่อ สวท. เองในเรื่อง เราได้ร่วมงานกันแล้วก็ได้รับการค่ะตอน เป็นรายละระยะแล้วก็ต่อเนื่องเลยครับตอนนี้ครับค่ะ นั้นมานั่ง EU Share มานั่นคือการๆครับปกตินั่ง EU Share แล้วร้องค่ะวัน ซึ่งการให้ซึ่งกันและค่ะท่านขาทีนี้ วันพฤหัสบดีมีค่ะค่ะแต่ผมต้องคอนเฟิร์มวัน คุณเจนเจนบุญสูงเดินเจนแน่นอนอยู่ เพลงรักเพลงสนุกคืนความสุขให้กับประชา ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกองทัพบกกองนะมหาชน คือที่ CC Fresh Mart ค่ะนะครับค่ะว่า เอ่อเราปล่อยเพลงดีแล้วค่ะแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะค่ะก็เรียน ภาคส่วนทั้งราชการทั้ง 25 นะค่ะท่านทีวีดีค่ะพอท่านครับใช่ ที่ณณวันคือค่ะศิลปินดังจาก GMM จาก True Fantasia และ I Am เอ่อตํานานสมเด็จ Indoor Stadium หัวหมาก 5,000 6,000 แต่ๆที่จะเข้ามาโอ้โหๆค่ะๆนะคอนเสิร์ต แรงมากนะครับเพราะว่าค่ะเดสตาร์ค่ะเต้เดอะสตาร์ค่ะลอง ฟังดูค่ะผมว่าโอ้ใครพลาดคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยน่าจะ ครับเอ่อเราเป็นฟรีคอนเสิร์ตรับ NBT ค่ะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านที่ไม่สามารถจะเดินทางเนี่ยแหละ 25 กรกฎาคมที่จะถึงนี้แฟนรายการบันทึกสถานการณ์นี้ครับเราคืนความสุขให้ไปทั่ว NBT ของ NBT ครับแล้ว รวมทั้งสื่อสัมพันธ์ราชสภาด้วยนะอ๋อค่ะท่านใดที่ เท่าที่ทันทิพย์ดีกรุณาไล่รายชื่อศิลปิน โดยพาอย่างยิ่งการพูดคุยเล่าเรื่อง เราจะมีการเลือกตั้งต่อไปตามรุดแมป ที่รักน้องรักเพื่อนมีความเมตตาต่อกัน ค่ะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าในวันศุกร์ที่ 25 นี้ ชาติของเราหวงมากที่สุดศาสนาเพื่อ ค่ะโอกาสนี้กราบขอบคุณค่ะ คุณอภินันท์จันทรังสีค่ะท่านที่ปรีกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่ ที่จะคืนความสุขนะคะในรูปแบบของ กรออช่วยให้ฝันสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการหลักของประเทศจริงวันนี้กองทุนกรออเปิดให้ 026104888 หรือ www.studentloan.or.th ความ คือความทุกข์จงเป็นลูกที่ดีพ่อเมื่ออยากให้พ่อเหนื่อยเมื่ออยากให้ รมชาัมพันธ์ร่วมกับ คสช. และสํานักงานเเลขาที่การสภาผู้แทนราดอดขอเชิญชมมหกรรมฟรคเซิร์เพลงรักเพลงสนุกคืนความสุขให้ประชาชนพบศิลปินชื่อดัก JJปคลโช oh, ติ๊ชโรอาภาภรนครสวรค์กระทบไหล่ดาราจากตํานานสมเด็จพระนรศวรมหาราช 25 กรกระดาคมนี้ที่อินดอร์เตเียมหัวมา 16 นาิกา 30 นาทีเป็นต้นปัก แตกต่างทั้งความคิดเรียนรู้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สถานี FM 92.5 และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกรม ตั้งที่กรมประชาสัมพันธ์บัดนี้เป็นซอยอารีสัมพันธ์นะคะหมายถึง 5 02 618 5 นะต่อ 1,000 นะ ที่กรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT เนี่ยนะคะนะชั้น 6 นะคะ จน 24 กรกฎาคมนะคะ 22 แล้วเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวๆ GMM Grammy True Fantasia และ i am af8 อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะเยอะ nbt นี้จัด 25 วัน อินด้าสเตเดียมหัวหมาก 02 275 4022 2754022 นะคะเพื่อจะสอบถามว่าจะ ประเทศไทยของเราๆที่ ทางกรมประชาสัมพันธ์เรานําเสนอมาเมื่อสัก เคลื่อนกันไปนะคะย้ายกัน บทเพลงเต็มๆท่านผู้ฟังไปรับ 25 นี้ติดต่อ 1 ชั่วโมงผ่านพ้นไปรวดเร็วเหลือ ดูที่จังหวัดมัน 3 ปลังหัว 30 กว่ากิโลถูกอกถูกใจแฟนรายการมากๆ สถานี FM 92.5 และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ คนไทยทุกคนต้องรักกันเข้าใจกันทุกคนต้องรักกันเข้า ได้เรียนรู้ชีวิตอยู่ร่วมกันยอมรับ คลื่นวิทยุเสนอข่าวต้นชั่วโมงเสียงแห่งประเทศไทยและ 270 ปี จัดแสดงนิทรรศการพิเศษที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งภายพิเศษ พราหมถุงผ้า 278 ปีระบุว่า จากการศึกษาหลักฐานคาดว่าอยู่ในช่วงรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายต่อเนื่องรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีเชื้อสายจีนและมีการติดต่อสร้างสัมพันธ์กับประเทศจีนอย่างต่อเนื่องสำหรับการค้นพบโบราณวัตถุที่สำคัญครั้งนี้อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน อีกสักครู่กลับมาติดตาม คสช. เป๊กพลิกโชว์ติ๊ก 25 กรกฎาคม 16 ที่ 30 สเตเดียมหัวหมาก 16:30 น. พลเอกสุรศักดิ์กาญจนราชปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อํานวย 22 27 กรกฎาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีพลโทกรรมนาถ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนจากหน่วยงาน จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีทําบุญตักบาตรฟังธรรมเพื่อส่งเสริมแนว <Lord strip> <ized> ซึ่งพระครูวิสิทธิ์พรมคุณเจ้าอาวาสวัดพรมนิเวศประธานฝ่าย กระพิจยานันเทพรักสวทนราธิวาสสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 รายงาน